ด้วยกรณียกิจบางอย่างนะก็มีธุระเข้ามาในเมืองนะเหมือนกับคนต่างจังหวัดมีธุระเข้ากรุงเทพอย่างนั้นะ น, นะครั้งนั้นแลอุบาสกคนนั้นยังกรณียกิจนั้นให้สำเร็จในพระนครสาวัตถีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับอุบาสกนั้นว่าดูก่อนอุบาสก ท่านกระทำปริยายนี้เพื่อมานะที่นี้โดยการนานแลหมายค่ะว่าโอ้นานแลนะจึงได้มาเนี่ยอุบาสกนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยประสงค์จะเข้าเฝ้าเข้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่การนานจริงๆอยากจะมานานแล้วแต่ว่าข้าพระองค์นี่ขวนขวายด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่าง จึงไม่สามารถจะเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อยากจะมานะแต่ว่ามาไม่ได้เนี่ยธุระเยอะเหลือเกินงานมากอ่ะนะคล้ายๆกับหลายท่านกขาบอกโอ้อยากฟังธรรมมากแต่แม้ทำไมงานมันเยอะจังเลยช่วงนี้นะงานชุมไปหมดเลยนะก็เลยเนี่ยอดฟังธรรมเลยพระพผู้เจ้าไม่ได้คิดตามเรื่องเท่าหรอกพระองค์คิดไปอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็คิดแบบพระาเรียกว่าพระผทธเจ้าก็คิดแบบพระผู้เจ้านะพระพผู้เจ้าจะไม่คิดเหตุผลแบบเราหรอกพระองค์ก็เลย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 ต่างจากพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องผูกผู ก, กเคยเห็นเชือกผูกไหมผูกผูกก็ไม่ผูกไว้รอบเดียวไหมพันอีกอนะกิเลสที่คนที่มีกิเลสผูกทั้งผูกทั้งพันทีนี้ถ้าเอาใจไปพันไว้กับของร้อนอะไรจะเกินก็เดือดร้อนอยู่แล้วท่านก็เห็นแล้วนะว่าคนที่หมดกิเลสกับคนมีกิเลสนี่ต่างกันอย่างไร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 ตอนหลังเธอไม่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยกรณียกิจสองสามวันแล้วจึงก็พระองค์ก็บอกว่ า, าวไปไหนมาไม่เห็นตั้งหลายวันนะนะ อ, องค์ก็ทักนะนะจริงอยู่เมื่อเธอเลื่อมสายยิ่งในพระศาสดาไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อในเรื่องอื่นเหมือนในการเข้าเฝ้าฟังธรรมและของพระศาสดาปกตินี้ให้ความสำคัญกับการฟังธรรมเป็น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 โดยมีความกังวลในการพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและในการได้ความเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากหามีอันตรายแห่งกุศลต่อความไม่มีความกังวลไม่อ่านแล้วมันเขา้าใจยากงั้นะหมายความว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อกุศลเนี่ยมีเพราะอะไรอันตรายกับกุศลก็คือเจริญกุศลไม่ได้อะเพราะตัวเองต้องคอยขวนขวายคอ ย, คอยห่วงใยในหน้าที่ นะห่วงใหญ่ในกิจสำนวนว่าอะไรนะั่นหน้าที่คือตัวเองต้องรับผิดชอบใช่ไหมบอกว่ามันเป็นภาระเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบ อ, อาศัยว่าตัวเองต้องรับผิดชอบก็เลยไปรับผิดชอบนะนะทั้งรับผิดแต่ส่วนใหญ่ขอชอบไปก่อนนะนะเพราะถ้าหากว่าไม่เข้าไปทําเดี๋ยวจะผิดใช่ไหมก็ต้องการความชอบจากสิ่งนั้นอ่ะก็เลยไปขวนขวายในสิ่งนั้นขวนขวายมากเข้าให้สิ่งที่ขวนขวายมันเป็นเรื่องของกุศลไหมส่วนใหญ่ไม่ใช่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 มัชชมะชนบทแปล ว, ว่าบ้านอยู่ใกล้เชตวันเนี่ยนะบ้านอยู่ไม่ไกลเชตวันเท่าไหร่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงทำเป็นปกติโอกาษแบบนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆแต่ขนาดเดียวกันก็บอกแหมทุระยุ่งแล้วเกินนะอ้างจนไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหมบอกว่าเนี่มีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับว่างั้นท่านก็ไม่มีเวลาตายสิประมาณั้น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 ไอ้อย่างสงกรารเนี่ยตายไปเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะไม่ใช่ของเราใช่ไหมเรามานั่งยิ้มอยู่นี่สบายใจได้เนี่ยนะแต่คนที่ตายนั่นก็เพื่อนเรานี้ก็ญาตเรานั่นก็คนที่เกี่ยวข้องกับเราเราขาดคนนั้นไม่ได้เนี่ยถามว่าจะนั่งฟังธรรมได้ไหมไม่ได้นะแลวรถประสบอุบัติเหตุเป็นร้อยๆ้คันเนี่ยที่มานั่งยิ้มอยู่ได้ก็เพราะไม่ใช่รถเราอีกนั่นแหละเนี่ยนะไอ้ถ้าหากว่าขันเหล่านี้ไม่ใช่ของเราโดยประการทั้งปวงแล้วนะเราจะสบายกว่านี้อีกเท่าไหร่ใช่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 อย่าคิดว่าจะตัดเยื่อใ่ได้จริงๆหากจะถามว่ากิเลสเครื่องตังวลเนี่ยไม่มีแก่ใครพระองค์จึงบอกว่าสังขารตธรรมมะสะพะหูสุดตะสะัสสเนี่ยคือคุณสมบัติผู้ของผู้ที่ตัดเครื่องตังวลได้สังขารตธรรมมะเนี่ยนะแปลว่าคนที่นับธรรมะหมดแล้วแล้วก็พหูสุดตัสสะก็คือเป็นพหูสุด อธิบายว่าบุคคลใดมีธรรมะที่ต้องบอกแล้วบอกก็คือมีกิจที่ต้องทำเนี่ยทำแล้วเพราะสําเร็จกิจสิบหอย่างกล่าวคือกิจเหล่านี้สาเร็จด้วยมรซีใช่หมกิจสิบหกก็คือกิจในอริยสัจสี่นั่นแหละกิจในอริยสัจสี่ของอริยมรซีทำกิจแทงตลอดอริยสัจเสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าสังขาตธรรมมศผู้มีธรรมะอ น, นับได้แล้ว ถ้าในมหานิเทศจุลนิเทศเป็นต้นเนี่ยก็คือนับอะไรนับว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมรู้เหตุเกิดความดับอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของอมหาภูตรูปสี่ภาษายตนา6อุปาทานขันห้าแทงตลอดอ ย, อย่างกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันธ์ทางนิโรธธรรมังเป็นต้นเนี่ยนะ ตรัสรู้แบบนี้จึงเรียกว่าสังคาตธรรมัสสะผู้มีธรรมะอันนับเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าอะไรนะนับได้ครบโอ้ยนับได้ตั้งหกใช่ไหมอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี้พอไหมไม่พอที่จะพ้นทุกันนะจะต้องนั่นแหละอย่างน้อยก็นับให้ได้ว่าจาคัคคูจัคคูสมุ ท, ทยัยจักคูนิโรธจักคูนิโรธถ้าขาไม่มีปฏิปทาแล้วต้องแทงตลอดอย่างเงี้ยคูณสี่ครั้งใช่ไหมสี่ครั้งด้วยอำนาจโสดาปฏิมักเป็นต้นนั่นแหละจึงจะทํากิจ สำเร็จถ้าไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ก็ไม่สำเร็จหรอกเชื่อว่าเป็นพหูสูตรในคำว่าพหู้สูตรตัสสะเนี่ยนะเพราะรู้พาหุสัจจะแจ้งชัดจากธรรมะนั้นนั่นเองแห่งบุคคลนั้นพหูสูตรตรงนี้ไม่ใช่ผ่านหูแหววผ่านหูมาเยอะแต่หมายว่าทำกิจตัวนั้นแล้วเห็นตามนั้นจริงๆเรียกว่าเป็นพหูสูตรเรียกว่าพหูสูตรโดยการปฏิบัติเนี่ยนะ ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงอ น, นิสงค์แห่งความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอะไรอะไรเราจะรู้ถึงผลแห่งบุญคุณของการไม่มีความกังวลเนี่ยนะจะต้องแสดงโทษของกิเลสเครื่องกังวลถ้าเราจะรู้ว่าไอความไม่มีกังวลเป็นสิ่งดีเนี่ยนะจะต้องเห็นโทษของความกังวลคํานั้นมีเนื้อความโดยโย่อต่อไปนี้พระาศาสดาแสดงถึงธรรมสังเวช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 ของเราต่อไปก็น่าจะแนะนำตัวเองได้บ้างนะพระพุทธเจ้ายังแนะนำตัวเองเลยเอพระองค์บอกว่าท่านจงดูบุคคลผู้เชื่อว่ามีกิเลสเครื่องตังวลเพราะมีกิเลสเครื่องตังวลมีราคาเป็นต้นและกิเลสเครื่องตังวลคืออมิตก็เดือดร้อนอยู่คือถึงความคับแค้นด้วยกิดน้อยกิดใหญ่เพราะเหตุแห่งการสแสวงหาไอ้แสวงหากว่าจะได้มาก็ยากยาก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 ก็เลยเดือดร้อนเดือดร้อนถึงความขับแค้นที่จริงท่านเนี่ยต้องดูในคาถาธรรมบทจึงจะเห็นชัดใช่ไหมปุตตามัติธนะมัติอิติพาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนติกุโตปุตตากุโตธนังจะบอกว่าคนพานเนี่ยพากันเดือดร้อนว่าบุตรของเราเนี่ยมีอยู่ก็เดือดร้อนเพระบุตรใช่ไหมทรัพย์ของเราก็มีอยู่ ว่าตามความเป็นจริงแหละโดยสภาวะแท้ๆเลยตนนั่นแหละก็ย่อมไม่มีแก่ตนเขาว่าตนของตนก็ยังไม่มีบุตรจากมีแต่ที่ไหนทรัพย์จากมีแต่ที่ไหนนะอันนี้ข้อความที่พระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทก็เป็นอย่างนั้นนะนะคือเขามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเกิดมาเนตันีจริงๆมหาตนีตัวเองก็บริโภคอย่างอดๆอยากๆเก็บรวบรวมทรัพย์เอาไว้ว่าทรัพย์ของเราเก็บเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวเอาไว้ให้อะไร เอาให้ลูกตอนหลังแก็ไปเกิดเป็นสุนัขปล่อยความตณีไม่เคยให้ทานไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะแล้วพอเกิดเป็นสุนัขเนี่ยตอนหลังพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยปราลบเศรษฐีคนนั้นว่าคนพานเนี่ยก็เดือดร้อนว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราตามความเป็นจริงตนของตนก็ยังไม่มีใช่ไหมเพราะชีวิตไม่เคยทําอะไรเต็มที่เป็นอุปการะแก่ตัวเองเลยทีนี้พอตายไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยลูกจะนับถือไหมว่าพ่อเรา มสมมติถ้าเราตายแล้วไปเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะเออนี่แม่เราพ่อเรามาแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีหน่อยไม่เอาใช่ไหมทรัพย์เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาให้เราใช้ได้บ้างอาอไม่ได้เลยพันธาเ น, นี่ยมันเข่าจริงๆเลยนะพันธาไม่เขานะหมูหมากาไก่เป็นต้นไม่มีในโลกนี้หรอกเนี่ยพันพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์ในอาบายก็เพราะความยึดถือยึดถือจนทํากุศลไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ความเสียหายมาก ผั้คนผ่านทั้งหลายก็เลยไม่ควนขวายที่จะเจริญกุศลเนี่ยนะพอไม่เจริญกุศลก็เลยเป็นอะไรเฝ้าบ้านดีก็สมควรแก่ฐานนะสมควรแก่เหตุอีกสูตรหนึ่งเลยนะคัพพินิสูตร